พระครูวัดเมืองชัยนาทบุรีเวลาเช้าโยมของสามเนีนโตก็จัดแจงหุงต้มอาหารอยู่ท้ายเรือได้เวลาก็จัดแจงเลี้ยงดูกันถวายอาหารให้เนียนฉันพอถึงเวลาสามโมงเช้าก็พาเนียนขึ้นจากเรือเนียนเดินหน้าแต่ผลตามหลังนางงุดยโยมผู้หญิงพากันเดินตามเป็นแถวขึ้นกุฏิท่านพระครู รั้นถึงท่านพระครูแล้วต่างคนต่างปูผ้าลงกราบกันเป็นแถวเนรก็ยันวันทาแล้วลงกราบท่านพระครูแล้วนั่งท่านพระครูเจ้าวัดเมืองชัยนาธบุรีมีปฏิสันฐานปราัยไตถามถึงเหตุการณ์ที่มาถามถึงบ้านช่องและถามความประสงค์ที่มาในวันนี้แต่ผลจึงกราบเรียนท่านว่าเนรหลานชายของกล้าวกระผมบวชอยู่ในสำนักท่านพระครูใหญ่เจ้าคณะวัดใหญ่ในเมืองพิจิต ได้ร่ำเรียนบาลีวยาก์ทั้งห้าคัมภีร์จบแล้วเ น, นใรใกล้จะเรียนคัมภีร์ใหญ่ต่อไปจึงขอเรียนที่ท่านพระครูวัดใหญ่แต่ท่านไม่เต็มใจสอนเนรและท่านพระครูวัดใหญ่ได้แนะนำเนรให้มาสู่สำนักพระเดชพระคุณเพื่อเราเรียนคัมภีร์ใหญ่กับพระเดชพระคุณแล้วจะมีความรู้ดีกว่าเรียนกับท่านท่านแนะนำมาดังนี้เนรดีใจเต็มใจใกล้เรียนในสำนักของพระเดชพระคุณ เนรจึงมาลบเ้ากระผมและมานดาเนนขอร้องให้กระผมเป็นผู้นำมาสู่สำนักพระเดชพระคุณในวันนี้กระผมพร้อมด้วยมานดาเนนขอถวายเนยนที่เป็นศิษย์เรียนคำภีกับพระเดศพระคุณต่อไปแล้วบอกให้เนนถวายดอกไม้ทูบเทียนต่อหน้าพระครูฝ่ายท่านพระครูผู้รู้พระปริยัติธรรมวัดเมืองชัยนาจบุรีรับเครื่องสักการะแล้วพิจารณาดูเนน ก็รู้ด้วยการพินิษพิจารณาว่าสมณเณร น, นี้มีวาสนาบา ร, รมีธรรมประจำอยู่สัพพะอวัยวะก็สมบูรณ์โตพร้อมไม่บกพร่องต้องตามลักษณะท่านก็ออกวาจาว่ารูปจะช่วยแนะนำเสี้ยมสอนให้มีความรู้ในคำพีต่างๆตามวัยและภูมิของสมณเณรดังที่โยมทั้งสองได้อุตส่ามาทางไกลไม่เป็นไรรูปจะช่วยให้สมดังประสงค์ทุกประการ หมายเหตุในยุคหนึ่งนั้นพระท่านจะใช้คำว่ารูเป็นสรพนามแทนตนเองนะครับแต่ผลและนางุตก็ดีใจกราบไหว้ฝากฝังเนนและถวายกัปปิยะจันหันมังฉะมังสาหานทั้งปวงปราสมุขของท่านก็เรียกคนมายกถ่ายทันทีและจัดห้องหับให้พักอาศัยสำราญ ตะผลและนางงุธก็ยกบริคารของสามเณรเข้าบรญจุจัดปูอาดเรียบร้อยตั้งไว้เราออกมากราบลาท่านพระครูลงไปพักในเรือแต่ผลนางงุศคงอยู่ค้างคืนคอยปรนนิบัติสามเณรดูลาดเราการอยู่การขบชันบินทบาตญาตราเมื่อเห็นว่าสะดวกดีไม่มีอะไรติดขัดขับแค้นเดือดร้อนพอเป็นที่วางใจได้จึงขึ้นนมัสการลาท่านพระครูกลับบ้าน ตั้งแต่สามเณรโตได้เข้าสู่สำนักท่านพระครูวัดเมืองใช้ยนาฏบุรีแล้วก็มันทำกรณียกิจตามหน้าที่และอนุโลมตามข้อกติกาไม่ฝ่าฝืนอ่อนน้อมต่อพระลูกวัดมีให้ขัดอัชชาใสเพื่อนเนรเหล่านั้นก็เป็นมิตรกันพร้อมหน้าไม่ไว้ท่าไม่ถือตัวไม่หัวสูงอดเบาเอาสู้ระ ง, งับไม่หาเหตุแข่งดีกว่าเพื่อนไม่สอดเสียดซอพ ล, อ, พลอยเรียบร้อยส ง, งียมเจียมตัว ทั้งมันเอาใจใส่รับใช้รับปฏิบัติท่านพระครูขออยู่แลบปรนิบัติท่านมีกิจธุระจะไปไหนก็จัดการสิ่งของที่จะต้องเอาไปไม่เกี่ยงงอนเพื่อนสิทธิ์เวลาท่านจะกลับก็รับรองเก็บงามสม่ำเสมอตลอดมาถึงเวลาเรียนก็เข้าเรียนถึงกล่าวฟังก็ฟังตั้งสติสัมปชัญญะสำเนียงสำเนาเสมอ เรียนแล้วจดจำตกแต้มกําหนดกฎหมายกลังคืนก็เข้ารับโอวาทปริยายของท่านพระครูสิ่งใดที่ไม่รู้ก็ถามรู้เท่าไม่ถึงความก็ซักที่ตรงไหนขัดข้องไม่ต้องกันก็หาหรือตามบาลีที่มีมาในพระคำพีนั้นๆถ้าบทไหนบาดไหนเป็นนิรุตติไม่ชอบด้วยเหตุผลไม่เข้ากันเธอก็ยังไม่ลงมติไม่ถือเอาความเห็นความรู้ของตนเป็นประมาณ ตั้งใจวิจารจนเห็นท่องแท้แน่นอนตามพระบาลีในธรรมบททิปณนีทศชาติสาราสามนณดีกาโยชนาคันถีในคัมภีร์พระไตรปิฎกธรรมะนั้นทุกวันทุกเวลาเรียนแปลายเป็นภาษาลาวบ้างแปลเป็นภาษาเขมรบ้างแปลเป็นภาษาพม่าบ้างตามเวลาอยู่กับพระครูท่านสามปีสามเณรเรียนจบถึงแดขั้นบาลี สมเนีนโตไม่มีอุปสรรคีดกัก้นไม่มีอาการเจ็บป่วยไข้สะดวกดีทุกเวลาทั้งไม่เบื่อไม่น่ายนิยมอยู่แต่ที่จะหาความจริงซึ่งยังบุกพร่องภูมิปัญญาอยู่เรื่อยไปสมเนีนโตมีความกระหายใกล้จะล่องลงมาร่ำเรียนในสำนักราชบัณฑิตนักปราชญ์หลวงบ้างใกล้จะเข้าสู่สำนักพระเทราเจ้าผู้สูงศักอัคคถาในกรุงเทพพระมหานคร เพื่อร่ำเรียนธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป